แต่มาแลกันแต่ก็ทําท่าเป็นเทระเทโลเลยนะอันเดียวก็เป็นอย่างนีว่างท่าแบบนั้นนี่แนวคนมัวว่างแหละแต่นี่เขาอิงพระมหาเทระตั้งแต่สมเด็จสังมารลงไปนั่นนี่เลยแถวหน้าไปเป็นตัวประกาศตนนอ่นะว่าเราขม่าก็หม่ไปราคิดเราไก็พระดัน่าโอ้แล้วจ้างนี่ม้วนๆนั่นงแท้บา หงอยนั่งไหนนงน่นเาน้มันเบียงมาตลอดบอกว่าบริวามันกะทำตาเป็นนังแล้วก็อีทนานเธอเลยอยันทาตาหงอยงคนอยู่ป่านยังงานว่าบกเ่เราได้ยักษีวัตถีว่าอร่อยเลยไอุ้ระนะกันธุระหวานดีอร่อยแล้วแล้วฟ้าวุฟาขบุเขานี่รับยิมเงียบขึ้นแล้วก็เปนนังอนช้าอ่อยหลอดออยห่ามากเปิดมาทันแล้วเนี่ยเงี้ ไอ้พวเขาอยัเขามเอากระป๋องทั้งหมดาง้านนี่นะบนั่งกป๋องด้านูแล้วอยู่ไหนด้านล่างเพื่นนี่พานี่ยย่อนเน้ยตรงด้านบวงนี่ไปแล้วแล้วก็ไปนั่งอันนั้นแล้ดะไลล่นะไล่หุ่นอยานี้เห็นแล้วเนี่ยของทาก็อหลอดทันแล้วแต่เงี้นี่ไปตามโลกสมุนไพรย่อมมีอยู่ในโลกยี่ยนไหนก็ต้องเด็ปฏิวัติตามโลกยีย่น้องผู้เล็กใขึ้นกัน จนว่าพระอรลรหร่บินในหลงลงองนีกลงอ่างนี้มากอ่าถึงจนว่าเขาปิดมา่อไรเขาบ้นเขาขอเขาจนได้ดวงตาขี่ดื้อบนี้อืมต้าหลวมันเป็นจับไม่ใช่คือ้านเขาขอเรื่อยขอเรื่อยขาเรื่อยเบืนอเรื่อยจนว่าต้นวงวันหนึขึ้นงนี้ได้แต่พอเขาถึงก็าวโม้เอาทำโม้เลอ่านนีาไป้งเขา่างันมันโมเป็นนนั้นจะขึ้นมามาดอกไปับ จะจอดรถดีซ่าแล้วก็บกขึ้นดอกนี่ก็เดินไปแล้วบานี่ตำรวจเขายื่สองภานี่มเดลนี่ยโคนไปทาโนแน่นเนี่ยแน่นมันท่าเปิดลงเนี่ยท่าในหลวงเสด็จตำรวยืนสอง่าหันหน้าไปด้างแต่ชาชนหน้าทนงไปชนก็ได้เห็นก็เห็นได้เห็นที่ื่เนี่มันกรดิกมาได้แค่บ่ายเขากับทบ่ายก็เดินเป็นรเจ้ายวะไปเห็เสด็จทอนแ้บาเข้ากเด็ไปตานั้นทั้งัวอือ แม่งเขาบอกล่องเผานี่เราจายถูกว่าตัวยิบปากตรงีออกมาม่อไรตนเมื่อไรท้าไปย่างสบายสยปับเขากรลำป่าฝนตกจางนี่หันแล้ครับพาไปหอนอน่ห้หลวงก็เสดตามไปงน้หลก็ลำาพระเข้ายุกระมาหรือเคยกตุกุนทมอมมันนายคระตุกุณ พุพดนะคบุพเพเขาบางคนมุ่งกันนักเขาเขาคุกาศรเตบ้านดอกไม้เรฮบกันเดียวบคนถึแน่นจบกลือกาหนังกโอ้ยเจ้ามือไปเราเดี๋ยวนี้เป็นลกน่ลนเขาต้องช่วยช่วยเาเาไปซับเขาคนปแต่งคนเหมือนเรเด้คนเมือนเราหน่งเดี๋ยววันนี้หน่เบาเลยไรเหลวให้ผมากก่านี้ม่ได้คุยกับใคร ไม่หาไปร่อมเป็นอย่งนี้คือยากของโลกคังหวัดะมั น, นเป็นความจริงความจังอย่างเงี้ยโยกเขาผาพ่องปอมได้ไหมอ่อยู่ในโลกมันเป็นอยานี้กับโลกจังวัดนี้เอามันมณีมณฑลสามงานแล้วไปต้องสามงานแล้วนั่งมนิมณฑลในเจ้าค่ะจังหวัดผมาณีมณฑลท่านเอาหนังสืม า, ม า, ม, า, ม, า ม, มาตุนนีน่คือกัรมณมณฑลมาดูต่อการมณฑล ต้ไปทังสาันต้ไปไว้เราช้าจิตใจพระชาท่นอาไนี้ยินมันกระเพื่อมไม่เปันอย่างนี่จ้าเห็นขึ้นกายแล้วเห็นโอ้เมื่เป็นล้านแล้วนี่ปมวสามนี่สามเม่นเนี่ยงว่มาเป็นล้านดูแล้วเป็นล้านเนี่ยีทั้งกอนทั้งหมด ยิ่กายนาะอาหารการกินมันส่งเหม่ยมดทุกง่ก anyway. า, เานเนี่ยมันม่ส่งเหน่อยเลยยิ่กายอ่ะเร่องขงโลกเขาก็เป็นแบบนีแล้วอย่างทำเขามันง่ายทีเดียวสบายไม่ยุ่งเอานีเอาหนุ่มฟันก็มีวะทุกครั้งทุกๆการข่ายกิเลสนี่เลยย่าไปทุกข์ก็ สิ่งมู้นทำรับผราเล่าน่ะให้พระกันจำนะทุกปนันห้ฟาดลงไปเถอะบ้านหันนั่นเ่าไม่มีเศษยุหันตรงนั่นแหะ น, นะทุกกับสิ่งอย่างที่ว่าเหล่านั้นนอก น, นานาโ ย, ยทุกหาเรื่องสิตัวเองไม่ได้เรื่องเลยลาวเลยทุกแบบพระพุทธเจ้าสิเอาห้ามหันกันลงไปตรงนี้มันเป็นยังไงมา สติบัญญามีอะไรทุ่มลงไปทุ่มลงไปซากมันลงไปกบพี่เดรมันสู้แล้วม่ได้มันก็พังพังอมันถึงนี่แล้วตอนกุศลธรรมอกุศลธรรมะลําบากเลยกุศลธรรมาแปลว่าอะไรแปลว่าทําอย่างคนให้ฉลาดปฏิบัติตัวมันฉลาดมันทันวิทย์เดรมี้มันทันแล้วกุศลธรรมะมุขศรธรรมานีบาเราไม่ได้ประมาททาบุรุษเจ้า ที่พูดนี้ก็คือทำพุเจ้าให้ฆ่าตัวนี้นี่ไม่ใจะทำพุทโธเป็นอะไรตัวสําคัญตรงนี้กุศลธรรมะก็เพื่อมาฆ่าตรงนี้ฆ่าตรงนี้ตายแล้วกุศลธรรมะที่มาสวดท่านนั้นเกิดประโยชน์อะไรใครใคก็ไม่เห็นสนใจฝั่งจะสวดเพื่ออะไรสวดตรงนี้ี่สวดตรงมันจะได้เห็นเหตุเห็นผลกันอยู่นี่สวดตรงยิ่งเรศจะพังทลายเพราะกุศลานี่สิกุศลธรรมะกุศลปัญญาเนี่ะ งานที่มันขวางทั่วประเทศไทยก็คืองานของเราเนะี่ยเราทําแบบนี้เลยไม่ได้สนใจกับใครเอาทําเป็นสนัก่กระฉามีแล้วพอแล้วไม่ได้เอาว่าชาวโลกทังสารส น, นัก่กชาฉามีนว่าใครจะว่าอะไรก็เฉยเหมือนหูหนวกตาบอดเราไม่ได้สนใจกับคําพูดคนๆลมปากใครพอใจก็พูดขึ้นเป็นลมปากกันหนึ่งขึ้นมาใครไม่พอใจมันก็เป็นลมปากกันหนึ่งขึ้นมาถือประมาณได้ ง, ไง่าย ลมปากลมของกิเลสตันหาตัวถือประมาณได้จะทําเท่านั้นหลว ง, งตาบัวกับม่แต่กุศลาทํามาเหล่านั้นก็คงกุศลน้นไป็กุศล ไ, ไม่สร้าบผมไม่ได้ไปยุ่งจะคอยสั่งงานเท่านั้นมันอยู่กุฏิไว้คนไปยุ่งผมนะงานต้องนี้ต้องก็ดีงานอุปคติก็ดีผมไปอยู่แบบผมมันแล้วจนั่งถึงเวลาแล้วก็ลงมาเลยมีแต่คอยสั่ง เขาอะไรเขาก็ไปปรึกษาก็บอกแล้วครับมีอะไรให้เป็ปรึกษาแล้วมี่ต่อคอยแนะคอยแนะเขาก็ปฏิบั ต, ติตามนั้นตามนั้นอย่าให้เคลื่อนนะเราบอกนี้ด้วยนะเราก็ปฏิบัติเรียบร้อยไม่มีเคลื่อนขันะ้นตามที่เราสั่งทุกอย่างทุกอย่างใครจะว่าอะไรก็ตามใครมีความเป็นต้องการก็ตามให้มาเราจะขอนเราบอกนี้จะทางตาราางนั้นพ่จารย์จะมีแต่วงแปเวงอะไรอันผมกอกชี้แจงเหตผลให้ทราบเลย ให้มีเขาก็ยอมรับก็ไม่มีเพราะมันเป็นเพิงหลวง เ, เขาต้องมีกรรมแต่เราอธิบายเหตุผลของเราให้เขาฟังเขาก็ยอมรับผลงานนี้เป็นงานกรรมฐานยังเป็นกติตัวอย่างเกี่ยวกับกรรมฐานด้วยทําเพื่ออย่างนั้นดูดีมาก แต่เนพวกเราเองเราไม่ได้มาทําเพื่อแตยวงเนี่นะเราจะว่างมันครานี้เราไม่พูดเราก็ชีช้แจงอนะไรที่เหมาะสมเข้าไปเสียเขาก็ยอมรับเพราะงจึงไม่มีแต่วงแต่อะไรต่้งเขาก็จะมีผมไม่มีจากนั้นก็ดูไม่เห็นมีกูมีอยู่น้องๆที่ในหลวงเสด็จมีแต่ในเมนที่ว่าจะให้มีไม่ไ ม, ไม่ไม่มีก็เลยดูเบนมีมเทกาไนร่ อาจจะยึดเรื่องของเราเป็นเอกได้เขาก็คี้เกียให้ทราบตัวเรื่องของหลวงต้องทําอย่างนั้นอย่างนั้นบกจำนั้นก็จะวังเรา จ, างจรึงจะขี้เกียจเขาทราบเป็นการแก้กันไปเขาก็เห็นด้วยอันนี้งานอันนี้ก็ไม่เห็นมี แ, แสดงว่ายึดมาจากนั่นมาเพราะทราบว่าเป็งานกรรมาฐานนี่เป็นคติตัวอย่างแจกในวงแจ ก, ว ง, จกวงกรรมาฐานเราบอกกันเรื่องของโลกของมุ ศ, ศานก็ได้ทากันมาแล้ว นี่ทางเรื่องของธรรมเรื่องของกรรมฐานเอาทำเรื่องกาให้ดูบ้างระหว่างนี้นะง่ายสบายไปตายไปคือเรื่องของธรรมไม่ยุ่งอย่าพูดว่าจากนั่นจัดนี่รับ แ, แขกรับคนคนต้องแผ่นดินอยู่สู้ไว้เลยการจับการจ่ายยุ่งไปหมดไม่าขึ้นว่าทองว่าเข้าว่าของขนมาหรือเพคือคน ามากินกันอยู่เฉยเนเกิดปอยู่อะไร ม, มเมาลมกันอยู่เฉยยังมีไรถ้าเกงกสบาสบายเราก็พูดล้วพูดยังตามความจริงเลยล้วตายยังยุ่งนะกุศลาั้งมายามพระมันเอาวางเลยใครจะมาบ้าก็ตาม เราไม่ได้หวังอกุศลาข้างนอกเราหวังอกุศลาตรงนี้ตรงที่ครูพี่ย่อสอนนี่เอาตรงนี้ให้มันได้กุศลาตรงนี้อกิเลศมันพังเพราะกุศลานี้อันนั้นไม่พังกิเลศพังอะไรกุศลาธรรมะกุศลาธรรมาน่ะจิเลศตัวไหนพังวะถ้ากุศลาธรรมะเข้าตรงนี้แล้วพังนี่ครูพี่ย่อสักไม่ใช่เป็นคนโง่สอนถึงสี่ถึงห้าอะไรแตงนี้กุศลาธรรมะแต่ก่อนก็ไม่มี เกยืดเอาแบบเทป่าที่พุทธเจ้าสอนตอนเปิดปวดพมานนานั่นแหละเอามายืดกันเนี่ยกุศลธารมมาเวลาคนตาเราสวยพี่ทำอะไรกุศลธรรมมาเลยเหมือนอย่างเปิดปวดพมานนานั่นนะแต่กว่าไม่มีนะมีอะไรนี่มาทําได้จนเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมานี่เมืม่อไม่ทําแล้วเหมือนกับว่าขวางโลกไปนี่เราไม่ทําไม่ขวางโรคก็ขวางเถอะขอจะให้ขวางทำนะ่ะเราตรงนั้นเลย อันไหนไม่ขวางทำเราทําต่านั้นใครจะว่าขวงโลกเราไม่สนใจเพราะไม่ทําโลกให้เสียหายนี่นะถ้าว่าอันไหนจะทําโลกให้เสียหายแล้วก็ไม่ทําอันนั้นก็บขวางทำอยู่เหมือนกันเพราะทำํำละเอียดกว่าโลกนี่ถ้าลงโลกได้กระเทือนนั้นไม่ใช่ทำนี่อันนี้ไม่ได้กระเทือนนี่นะากุศลธรรมมาเจ้าข้อมันเห็นเด็ดขาดอะไรจิตสิกอ๋อ ถ้าพบเชื้อชาติมันพักเกิดแก่เก็บตายมาเท่าไรเท่าไรนั่นกะิเลสมันหลอกเท่าไหร่ตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์ว่ะอืมทํามาตายยังมีชีวิตอยู่คนไม่ทําจะทําบุญทำทางประกอบงานความดีมันก็จะขาดบริษัทบริวารข้งมันไปตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์อยากทําอะไรก็ทำมทิเรื่องทกิเลนั่นให้ทําที่นี่นั่คนคนที่ว่าตายแล้วศูนย์ก็คือคนหมดหวังอยากทําอะไรก็ทำที่เวลามีชีวิตยอยู่นี้ตายแล้ว มันก็ศูนไปแล้วเอาแล้วทุ่มลงไปทุ่มลงไปอร้อยทั้งร้อยมันทุ่มแต่ใสกิเลสทั้งนั้นแหะเพื่อกิเลสเพื่อกิเลสเวลาตายแล้วไปที่วิบากกรรมที่ทําเพราะมันศูนย์มันไม่ศูนย์แล้วที่ทีนิ่นนั่นระแบกแล้วหามแหละตายออืพิสูจน์ตรงนั้นที่บุตยญาณสอนพิสูจใครได้นํามาพูดนี่มีใครสามารถมาพูดตายแล้วเกิดเกิดภพนั้นภพนี้ใครนำมาพูด ไม่ใช่ศาสตรดาอ ง, องค์ใหญ่ทรงพิสูจน์เห็นหมดแล้วนี่ยที่เอามาพูดรับผิด ต, ตรงไหนเอานักปฏิบัติเราไม่ต้องให้มันทราบกว้างขวางมากมายไปตามตัวเอาทราบเรื่องอะไรพาให้เกิดจนกระทั่งถึงว่าหมดแล้วที่นี่เชื่อพายให้เกิดไม่เกิดต่อไปแล้วไม่เกิดต่อไปมันศูญไหมให้มันรู้มันหมดขนาดนี้สิมันศูญบริสุทธิ์ได้ยังไงนั่นอะไรบริสุทธิ์ถ้ามันศูญเนี่ย มันขาดกันยังไงพบชาติอะไรา้ายไปเกิดมีมากมีน้อยมันด้วยเยื่อเป็นไปนหมดระโยงระอย่างนั่นเวลามันหนากิเลกกิ่งก้านสาขามันแผ่กระจายไปเลยไม่ทราบอะไรเป็นต้นเป็นกิ่งก้านสาขา เ, เป็นนั่นเดียวกันมนเวลาแก้เข้ามาแก้เข้ามาตัดนั้นเข้ามาตัดนั้นมามันก็เป็นทักเป็นตอนเข้ามาเป็นตอนเข้ามาวนเข้ามาวนเข้ามา แก่ส่วนหยาตัดส่วนยาบขาดแล้วยังส่วนละเอียดตัดเข้ามาตัดเข้ามาด้วยปัญญาปัญญาละเอียดแฉมคมเข้าไปเลยหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปวนไปวนเข้าไปจนมาถึงจุดจุดที่จะสังหารนั้นให้แหลกไม่มีภพชาติต่อไปก็ฟาดลงไปนั้นนิวเคลียร์มหาเศรษฐมหาปัญญาว่างไงนิวเคลียร์ใส่ปูนอะไรทั้งแตกกระจายแล้วเอาที่นี่ไปเกิดไหนอะไรพาให้เกิดมันรู้แล้วนี่ อืมทีนี้อะไรจะพ่ายเกิดอย่งมีหมายนั่นลงถึงขนาดนั้นแล้วสามโลกธาตุนี่มา่งัดมันก็ไม่ขึ้นความจริงมันได้ฝังกันถึงขนาดนั้นแล้วอืความจริงถึงความจริงมาาั่คาตจะเกี่ความจริงทางด้านปัญญาถึงความจริงในหลักธรรมชาตินั่นเป็นเพียแล้วหายห่วงทันทีดี แบบร่างนั้นแบบตั้งนี้แบกมาอยู่ไม่ถอยในภพในชาติแบบร่างไหนก็มีแต่ร่างกองทุกไฟเต็มตัวไฟเต็มตัวอืมสนุกแบกนักหรือขยันแบกนักหรือแล้วมันขาดสบัตติเหมือนกันก็มีแต่ขาดนั่นเดียวท่านี้เนี่ยจะพระราห韦เป็จนจักรัทาทิรับผิดชอบมนีย่เท่านั้นแต่อุปทานในพระราห韦เป็นจกรามก็ไม่มีมีแต่ความรับผิดชอบมันอยู่อนนอนนพ อ, อพถึงการของมัน มันจะทนนีูได้แค่ไหนกับยวๆกันไปมันทนไม่ได้ก็สลัดปั้วเดียวแล้วความรับผิดชอบอ่าไปสิดินก็ไปดินน้ำเป็นปน้ำร่วมันเขาเขาไม่มากวนเราหี่แต่เรไปก็ไปของเขาเองเราไปกวนเขาอะไรยุ่งเขาอะไรฐาน้าโยแล้วก็ไม่กวนกันน่ะนเห็นอย่างนั้นที่กุศลธรรมะนี่จึงเรียกกุศลธรรมะแท้ตามหลักธรรมริจ้า มจะสอนตรงนี้ให้ฉลาดตรงนี้แก่ตรงนี้ไม่ได้สอนอกุศลาทำอากุศลาทำมาจริงเป็นมางันถือขังก็รังละสิมันเอากล้วยงามกล้วยหอมนี่นะเอออากุศลาที่ไหนก็ก็เอากล้วยง่ากล้วยหอมเอาเอาเงินเอาทองให้มันกุศลาทำมาสนสนุกล้วยงามกล้วยหอมไปเลนสิ มันไปหากุชลาธรรมะหากินหวานกินข้าวไปนะมันไม่กุชลาธรรมะเพื่อข้ากินเล็กเมื่อมันหนักเข้าหนักเข้าคนตายที่ไหนอาหารว่างเกิดแล้วอะไรที่ว่างอาหารกุชาธรรมากินโน่นมันหนักประทังนั้นแล้วนี่มันไม่ได้หนักในธรรมก็ต้องหนักไปทังนั้นมันมีสองอย่างท่านั้นจิตคว้าหนึ่งก็ต้องคว้าหนึ่งเมื่อไม่คว้าธรรมก็คว้าหมวดคว้าขุดประทังเนี่ยทีมั้ มันถึงที่ของตัวเองแล้วกุศลเวลากุศลามีปัญหาอะไรไปสอนตรงนี้แท้ๆไปงมทำไทมเงา จ, าจับตัวจริงมันได้กับตัวดี้มันถูกเงาเองเพราะเงาไปจับตัวนี่มุกเพื่อนฟางกับมดติดมดเด็ดมดภูมิทุกอย่างรองผม ใคาจะอธิบายอะไรก็ปฏิบัติรองกิเลสมันเอาคานหา ม, มาสอบกันนะทั้งทั้งที่ว่าเราฟังอย่างนี้แหละคานหามกิเลสมันมาสอนมันมันหามาลงมูด ล, ลงขุดแหละกิเลสไม่ได้ฟังทำกับเรานะเดี๋ยวเขาจะากิเลสฟังทำกัเรานะมันยังหันหัวหอมหัวกระเทียมกระเทิอยู่กิเลสทั้งทั้งที่เรานั่งฟังเทศอย่างนี้เราจะไม่รู้ว่ากิเลสมันหันหัวหอมกระเทียม ออืทำไม่ เ, มเก็บมั่งปวดนุ่นมั่งปวดนี่มั่งเหนื่อยมั่งอะไรมัง่งนั่นนั่นแหละที่เียกมันหันหว่าควมว่ากระเทีย ม, มถ้าเ้ือดเชือดเดียวก็ลบตูมให้มันตอนนั้นเนี่ย ม, มันก็กั้นหนำแล่วแหละจนมันกินอิ่แล้วมันหนีไปไหนแล้วถึง เ, เพื่อเพือเบรขึ้นมาโอ้โหวันนี้นอนตื่นสายเลยเงือกขี้เหร่กิน อ, น อ, นอิ่แล้วมันไปหมดแล้วมันเหลือแต่ซากที่ว่าเคราะห เอาลออ่นี่จงแล้วเออ่เก็บอันนี้